อ <c oughs> ันนั้รีลัดไว้นั่งแอบอยู่ไม่มาไม่มานั่งใกล้ๆเสาเดิมนี่นะ <c oughs> เก้าอี้แล้วเก้าอี้มาตั้งเอาฝาเป็นสระนาหลวงปู่วันตาหลวงตามหาบัว ท่านพาคุณนิภาสุวรัณสิทธิ <c oughs> ์เยี่ยมหลวงปู่บุญจันทร์ท่านหายป่วยหายป่วยกลับจากโรงพยาบาลสิริราชปี16ึ่งหกหนเนี่ยคุณนิภากลับมาบ้านตาดตองหลวงตามหาอวัวนายโยม ขับรถพาไปเยี่ยมหลวงปูว่วนจันทร์แต่ก่อนเป็นวิหารไม้ที่วิหารกลางน้ำทุกวันวันจันทิ่กาวาดมันเป็นเรียนไม้เป็นสะพานไม้เดินเข้าไป เ, าเข้าไปแหละ <c oughs> ไปนั่งองค์ท่านก็นั่งอาสนะจัดถวายอุนิพาก็ยยงผู้หญิงเหมือนอาจารย์นาริรัตน์นี่แหละ ใบห่อเข้าไปท่านบอกว่านั่นคุณนิพาเอาเสานั้นเป็นสรณะท่านว่าน้องตาก็งงน้องตางงนะอท่านบอกเอาเสาเป็นสรณะไปนึกไปนึงมาโอ้ที่พึ่งสรณะแปลว่าที่พึ่งเอาเสาเนั่นเป็นที่พึ่งไปนั่งพิงเสานั้นความหมาย นี่ก <c ười> <c ười> <c ười> <c ười> sam ็มาเอาเสาเดิมนี่พิงก็ได้ตั้งใจฟังต่อไปนะโมตัสสะพระกุติวราหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพุทธวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพุทธวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงอิมัสสะธรรมะปริยยัสสะ อธโธสาทายสัมเตหิสกจังธโมโสตโมตีเข้าที่ที่นั่งถ้าต่อสู้องอาจกาหานนั่งทำสมาธิภาวนา พ, พร้อมจริงว่า ฟังแล้วก็ทา <c oughs> ฟังแล้วก็ทาเรามีสมบัติอยู่สองอย่าง <c oughs> สมบัติธรรม <c oughs> คือกายแล้วก็ใจท่านว่ามาสมบัติคือรูปร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ <c oughs> นี่เป็นก้อนธรรมไทยจะถามหาก้อนธรรมเป็นก้อนยังไงก็นี่แหละก้อนนั่งกันอยู่ใจเป็นนามธรรมมโนคือใจมโนปูพังคมธรร ม, มามโนเสธามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจ นี่ใช่ไหมใจเป็นธรรมแต่ไม่เป็นรูปเป็นนามธรรมนามธรรมคือใจนามกับรูปอาศัยกันอยู่จึงเป็นปัญหาไม่จบสิน้นเป็นปัญหาอะไรเป็นปัญหาหัวใจเป็นปัญหาหัวใจทั้งทั้ง ท, งที่ใจก็ไม่ได้ เป็นเจ้าของแต่ใจก็เป็นใจแต่ว่ารูปธรรมนามธรรมในส่วนที่นามธรรมส่วนที่อาศัยใจที่เรียกว่าสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นามสามอย่างนี่แล้วก็รูป อุปธรรมคือร่างกายนี่เป็นมหาเหตุเป็นเหตุที่เข้าไปขย่าวใจที่เป็นธรรมาชาติลู่ลู่ที่ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเพียงแต่ผู้ลู่อยู่เฉยเฉยก็ไปขย่าวให้ลู่ไปขย่าวให้ลู่ขย่าวด้วยความ ที่เป็นความหลงของตัวเองความหลงของสัญญาความหลงของสังขารความหลงของวิญญาณวิญญาณที่ไม่ใส่ใจแต่อาศัยใจก็แท้เข้าไปอยู่ ภายในใจที่ว่าเป็นธรรมชาติรู้เข้าไปแทรกเข้าไปอาศัยเหมือนใจเราอาศัยอยู่ในกายนี่แหละไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธรรมชาติรู้ความรู้เดิมที่เรียกว่าจิตวิญญาณหรือว่าใจนั่นอ่ะมันมีความรู้ที่ ไม่บริสุทธิ์คือความรู้ในขันห้าความรู้ในอายตนะที่ว่าวิญญาณวิญญาณในอายตนะเข้าไปสัมพยุตอยู่ภายในวิญญาณที่เป็นปฐมเหตุเป็นมหาเหตุเป็นปฐมจิตปฐมวิญญาณ แล้วก็ออกมามีอาการที่เรียกว่ารู้แตรู้ไม่จริงอรู้ไม่แจ่มแจ้งเป็นเหตุให้เกิดอาการที่ว่าอยากเรียกว่าตัณหาอเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอคืออาการที่อยากทําไมถึงว่าความอยาก เป็นตันหาอพออยากไม่มีเหตุผลอยากไม่แจ่มแจ้งไม่มีความรู้แจ่มแจ้งอยากเพลินเผลินอยากเพลินเผลินอยากลายอยลอยยู่เรียกว่าไม่มีเหตุไม่มีผลจึงเป็นจึงเป็นความอยากที่เป็นตันหาเมื่อมีความอยากที่เป็นตันหาที่ประกอบด้วยความลง จริงเลยว่าไม่รู้แจ้งไม่ไม่รู้แจ้งก็เป็นเหตุให้หลงหลงเข้าไปซ้ำประยุทธ์ประยุท์ไปถือนี่มีความหลงเข้าไปซ้ำประยุทธ์ไปถือตามความอยากก็เป็นความปรุงแต่ง เ ป, เป็นความนึกคิดปรุงแต่งเป็นความจดความจําก็ทํางานไปด้วยกันนี่แหละทำงานไปด้วยกั น, น, น, วกนความอยากที่ไม่มีความเจียมแจ้งนี่แหละเป็นเหตุให้เป็นอาการแห่งความร้อนอความร้อนนี่ยเป็นทุกข์เลยทีเีย ทุกข์เพราะร้อนถ้ามันเป็นเหตุให้เย็นเย็นจนไปติดซาบซึ้งอยู่ก็ยืดอยู่ก็เป็นทุกข์อีกทุกข์เพราะร้อนทุกข์เพราะเย็นรวมถ้ารวมมาตามสมมติทุกข์เพราะ ดินทุกเพราะนา้ําทุกเพราะลมทุกเพราะไฟที่ใจมาอาศัยสัมพยุตอยู่พอหลงว่าดินนั่นเป็นเราไฟเป็นเราน้ําเป็นเราลมเป็นเราเนี่ยลมภายนอกเมื่อมันละเอียดเข้ามามาเป็นภายใน มาเป็นอารมณ์อารมณ์ที่สัมผัสกับใจี่ว่าให้เกิดให้เกิดความเป็นทุกข์เป็นอาการเป็นกิริยาที่ว่าทุกข์ร้อนนีงว่าร้อนทุกข์เพราะไฟเป็นความร้อนไฟโมหะไฟแห่งความหลง ก็เป็นเหตุให้เกิดไฟแห่งความร้อนโทสะไปราคะความยินดีไข้กำนัดพอใจนี่แหละเป็นสายเป็นสายเป็นเชื่อยวงใยกันไปทีงว่ากลายเป็นยุ่งกลายเป็นยุ่งเยิง ปัจจันั่นแหละเป็นผู้รู้ว่ายุง่งยุ่งเพราะอะไรยุ่งเพราะนึกเพราะคิดเพราะปรุงเพราะแตง่งอ่ายุ่งเพราะอยากให้เป็นอย่างนั่นอย่างนี้อ่าอันนี้จะมีความสุขอย่างนี้อันนั่นจะมีความสุขอย่างนั่นสแสวงหาสิ่งที่จะให้เป็นความสุขเพื่อหนีจากความทุกข์ความร้อน ที่นี่มันความร้อนมันก็อยู่ในอันเดียวกันทีนีมันก็ร้อนอยู่ในกายในจิตจะไปสแสวงหาความสุขความสบายอยู่ในสิ่งที่มันเป็นความร้อนอยู่แล้วมันก็ไม่เจอมันก็ไม่พบนี่ทำยังไงมันจะเจอจะพบได้ มันจะไปเข้าไปรู้ความจริงของความอยากความจดความจำได้ไมายรู้ไม่มีทางใดมีแต่ปฏิบัติมีแต่ฝึกฝนอบรมในธรรมในธรรในวินัยใว่าเอาธรรมะ เอา ร, รมเอาวินัยเป็นเครื่องคุ้มกันเป็นเครื่องยึดเนียวหรือว่าเป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกเอา ร, รมเอาวินัยเป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาสอนสอนธรรมสอนวินัย สอนธรรมสอนวินัยก็พระพุทธเจ้าสอนตัวธรรมตัววินัยแท้หรือว่าก้อนธรรมนามธรรมก้อนธรรมก้อนวินัยสอนกายสอนวาจาสอนคือสอนบุคคลที่มีกายมีวาจานี่แหละนี่ วินัยหรือศีลศีลคือกายวาจารรมนี่ที่ว่าเอาทมเอาวินัยเป็นศาสดาหรือว่าเป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกเป็นเส้นทางประพฤติปฏิบัติตามประพุทธเจ้าสอนทำสอนวินัยสอนวินัย สอนเรื่องของกายของวาจาสอนธรรมทรรมก็เรื่องของใจที่นี่รวมเข้ามา เ, เป็นเรื่องของใจสิ่งที่ไม่มีตัวตนนี่คือธรรมธรรมชาติคือใจเป็นธรรมชาติรู้ธรรมชาติเวทนาอาการที่เสวยก็มีใจเป็นผู้รู้ รับรู้สเสวยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นเฉยเฉยบ้างใจเป็นผู้รู้อแล้วก็ อ, อาการที่ว่าสุขทุกข์เฉยเฉยก็ไม่มีตัวตนแต่เป็นเพียงแต่ว่าอาการสัมผัสกับใจเวทนาในเป็นธรรมสัญญากับเป็นธรรม เป็นนามธรรมไม่มีตัวตนสังขารความนึกคิดปรุงแต่งก็เป็นธรรมความรับรู้รับทราบเมื่อตาเห็นหูสัมผัสเสียงลิ้นสัมผัสรสจมูกสัมผัสกลิ่นเห็นเราเนี่ยไม่มีตัวตนนี่จริงว่าธรรมวินยัยวินัยมี มีรูปมีเสียงเรงว่าให้สำรวมกายไม่ให้ทำโทษนี่เป็นการเป็นการรักษาวินัยปฏิบัติวินัยกายเราก็รู้อยู่แล้วกายไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดมิช้าจานไม่ประจาก็ไม่กล่าว หลอกลวงอำพางํำเท็จนี่นก็มีแค่นี้ตายกับวาจาส่นใจนี่มันควบคุมรู้จำได้หมายรู้นึกคิดปรุงแต่งคิดปรุงฟุ้งไปนี่มาฝึกฝนอบรมทาวินยัย รวมทมวินัยม า, มาแยกออกก็มีเรียกว่าศีล ส, สมาธิปัญญาส่วนศีลคือกายวาจาเป็นส่วนอยากเมื่อตั้งใจว้ไม่ไม่ให้กายทาไปตามความอยากที่จะทำให้เกิดความเป็นทอดทางกาย วาจาเขไม่พูดปิดปากงับปากไว้เสียไม่พูดถ้าพูดก็พูดแต่อยู่ในใจคือพูดด้วยความนึกความคิดส่วนวาจานปิดไม่ให้ออกมากายก็ไม่ให้เคลื่อนไหวไปทำกรรมที่รามกที่เป็นบาป ที่เรียกว่าเป็นอากุศลเนี่ยเมื่อสังวรระวังร่างกายวาจากขเรียกว่าเป็นผู้มีศีลมีวินยัยทำอะไรมีวินยัยใช้กายทำงานมีวินยัยมีขอบเขตใช้วาจาพูดมีวินยัยมีขอบเขตนั่น มีระเบียบพูดด้วยความเป็นระเบียบไม่ใช่พูดเออเจอ้อเละเทอไม่ได้รู้ว่าสิ่งไหนจะเป็นไปเพื่อความวุ่นวายหรือเป็นไปเพื่อความสงบสุขไม่ได้ใครควรไม่ได้พิจารณาพูดด้วยความการพิจารณาทำทางกายด้วย การพิจารณาเหตุผลไม่มีโทษนี่ก็เรียกว่ามีวินัยแล้วกายมีวินยัยพรจจอมีวินยัยส่วนใจใจนี่เป็นมหาเหตุที่สําคัญที่จะสัมผัสสัมพันธ์กับความเป็นธรรมหรือความเป็นกิเลส ธ, ธรรมเป็นเหตุยังความเยือกเย็ยนให้เกิดขึ้นถ้ากิเลสเป็นเหตุให้ เกิดความรุ่มร้อนร้อนรอนนี่มีอยู่สองอย่างเพราะฉะนั้นสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญานี้เป็นนามเป็นนามธรรมให้มีตัวตนแต่จะสามารถไปทำลาย ความรู้ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงได้เพราะทำความรู้ซึ่งเป็นมหาเหตุที่รู้ให้รู้ในเหตุผลหรือให้รู้ในสภาวะบรรดาที่มีการเกิดและการดับเคลื่อนไหว <c oughs> <c oughs> นีจะรู้ได้จึงต้องมีการปฏิบัติเรียกว่ามัก จะเลิญมักมักคะปฏิปทามักคือสติสมาธิปัญญาสติไม่มีทำให้เกิดให้มีขึ้นได้สติคือความตั้งใจความระลึกตั้งใจไว้ไม่ให้เพอเลยนี่ทำให้เกิดให้มีได้ ธรรมชาติชอบเผลอเลยคือมันมันระลึกได้อยู่มีสติอยู่ระลึกได้อยู่แต่ระลึกด้วยความไม่รู้ระลึกด้วยความไม่มีทาเป็นเจ้าของคือไม่มีผู้ลู้ควบคุมกับผู้ระลึกลูก้หรือผู้ระลึกลูก้ควบคุมกับผู้ลู้ นี่เพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกนี่เรียกว่าฟังแล้วปฏิบัติตั้งสติความระลึกรูก้ให้เป็นคู่ของใจที่เป็นธรรมชาติรู้หรือที่เป็นธรรมชาติรู้อยู่เพิ่นเพืนที่เรียกว่าวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันเป็นอีกชั้นหนึ่ง มันเป็นชั้นเผลนๆ น, นี่ถ้าชั้นที่เป็นธรรมชาติเป็นฐานแท้จริงก็คือธรรมชาติที่รูปแน่วแน่แน่นหนามั่นคงอยู่เฉพาะตัวแต่ความรู้เผลนๆมันเหมือนกับว่าเอาทองคำมา ทำเป็นแผ่นบางๆเขาไปหุ้มโลหะอย่างอื่นเรียกว่าทำพระทองคาทาเป็นรูปพระทองคําหรือรูปสัตว์ทองคําแต่เอาแค่บางๆเผินอันนี้เปรียบเหมือนกันกับว่าความรูท้ที่ที่เป็นอาการรู้เพลินๆอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นความรู้ที่ลึกๆนั่นเหมือนกันกับ เอาก้อนทองคำทั้งก้อนเนี่ยรอเป็นองค์พระทั้งองค์เลยหรือเป็นรูปสัตว์ทั้งตัวเป็นทองคาหมดนี่อันนี้คือก้อนทองคำแท่หรือว่าความรู้แท่ใจแท่มันจะเป็นลักษณะอย่างนั่นอ็นเดียวนี้ ทุกตัวตนคนสัตว์บรรดาที่มีรูปกายนามกายมีกา ย, ม, กายมีใจเหลื อ, ลอแต่นามคือใจไม่ปรากฏว่ามีรูปก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายมีเชื่อมีเชื่อแห่งความวุ่นวายอยู่ด้วยกัน ทุกรูปทุกนามทุกกายทุกใจนี่จะมีอยู่เพราะจะไม่มีหนทางใดที่จะมากันกองหรือมากระทา ม, มาสร้างให้เหลือแต่ความเป็นสุขแห่งธรรมชาติ ของกายของใจตามปกติของเขาอันมีนะสุขที่เป็นธรรมชาติของกายก็คือดินแท้ๆน้ำแท้ๆลมแท้ๆไฟแท้ๆเขาไม่ได้มีสุขมีทุกข์อะไรนั่นแหละความไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่เขาหากเป็นธรรมชาติแท้ๆของเขานี่ยคือความสุขอันแท้จริงของ ดินน้ำไฟลมส่วนใจที่เป็นธรรมชาติที่มีอาการรู้รับรู้แต่ไม่เป็นรู้เขาก็มีความสุขแท้ๆของเขาเหมือนกันอย่งว่าเขา้าเข้าถึงใจแท้ใจเดิมใจอแท้จริงแล้วความรู้อันแท้จริงแล้ว ก็เป็นความสุขแท้หรือเป็นธรรมชาติที่ไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละเรียกว่าเป็นความสุขที่เป็นอมตะเป็นความสุขแท้เขาก็มีได้ของเขาทาให้เกิดได้ทำให้เกิดให้มีให้เป็นได้เพราะฉะนั้นมาร์กคือข้อปฏิบัติ สติสัมผัสกับใจว่าใจที่มีความระลึกรู้ต่อเนื่องกันไม่ขาดวักขาดตอนนี่จะทาให้จะทาให้มีความสุขทำให้มีความสุข ไม่ให้มีความหลงแล้วก็ไม่ไปหลงยึดหลงถือไม่เป็นทุกข์ด้วยความมีสติว่าศีลศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาฝึกการกำหนดรูการตั้งใจรูแลลึกรูให้บ่อยๆ ในการฝึกอย่างนี้ไม่มีการเวลาไม่มีการไม่มีเวลาคือฝึกจนมันไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีเชา้าสายบ่ายเย็นไม่มียืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเพราะธรรมชาติ น, นี่เขาจะเป็นธรรมชาติที่เป็นปัจจุบันปัจจุบัน ่มันยังไม่เป็นกําลังมันยังมีไ ม, ม่มันยังมีสิ่งที่มาเชิดมาชักนำเป็นอารมณ์ให้เผลอก็จึงต้องปฏิบัติจึงต้องกําหนดเพื่อทำความไม่พั่งเผลอทำความรู้ตื่นปัจจุบันนี่ขณะนี้เดียวนี่ ฟังธรรมะฟังอธิบายธรรมะก็กำหนดก็กระทาหลังจากขณะนี้ปัจจุบันนี้เลื่อนไปเป็นอนาคตปัจจุบันก็เป็นอดีตกระําให้เป็นปัจจุบันปัจจุบันไปเรื่อยเรื่อยเือยืยนี่คือการปฏิบัติสติธรรม เพื่อให้เกิดสมาธิธรรมคือความตั้งใจไว้มั่นตั้งใจไว้รู้ตั้งความรู้ไว้รู้ในตั ว, น แ, นวแน่แน่แน่นั่นคือความจริงความจริงของสมาธิของคาว่าสมาธิสมาธิแท้คือความรู้รมัน มันรู้เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระจากสิ่งที่ก่อกวนสิ่งที่กระทบกระทั่งน่เรียกว่าสมาธิแท้สัมผัสกับใจถ้าไม่มีใจก็ไม่มีสมาธิถ้าไม่ฝึกให้ใจเป็นสมาธิก็ไม่เป็น เป็นก็เป็นคณิกะชั่วคู่ชั่วคณะวอกแวกฟอมแวมนั่นแต่ว่าไม่ไม่มีฐานมั่นคงเพราะสั่งกำหนดรู้สติรู้ทั่วทั้งตัวก็ได้หรือรู้จุดใดจุดหนึง่งอุบายแต่ว่าให้รู้ในกาย รูในกายนี่ก่อนเป็นสำคัญเส้นรู ล, ลมหายใจอารม์หายใจทำไมท่านจึงบอกว่าอนนาปานาสติคือกำหนดรูลมหายใจหรือพระบรมศาสดาสมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เป็นครูผู้สอนผู้ประพฤติปฏิบัติมาก่อ น, น ก, ก, กท็ท่านก็จะกระทท่านกําหนลมหายใจเพราะท่านมีลมหายใจอยู่ ในส่วนที่เป็นรูปประทัดหายใจเข้าหายใจออกคล้ายๆก็รู้อยู่เพราะมันมีอยู่จะตั้งใจหายหรือไม่ตั้งใจหายเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาแต่เพียงแต่มาตั้งใจรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่แค่นั้นแหละ กำหนดรู้อยู่บ่อยๆรู้อยู่บ่อยๆไม่ขาดวาขาดตอนก็จะเป็นสมาธิเรียกว่าเป็นอารมณ์แห่งสมาธิเพราะอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์แห่งเครื่องรู้ของใจเครื่องระลึกของสติเมื่อมันต่อเนื่องกันก็นกเกิดเป็น ฐานอันแน่วแน่มั่นคงเรียกว่าสมาธิอันแน่วแน่แน่วแน่ลึกแน่นหนามั่นคงจนไม่มารับลูกกับวินิจฉัยไม่มาวินิจฉัยรับลูกกับ อาการของขันที่เขาทำงานอยู่สัญญาสังฐานวิญญาณรู้อยู่ในในแน่วแน่แน่นแฟ น, ә น, น, น, น, นอันทันเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่เป็นชื่อแต่จะไม่มีชื่อก็ตามถ้าอาการอ น, นั้นมันแ น, น่วแน่แน่นหนามั่นคง อยู่ในสภาวะในธรรมชาติรู้นั่นมันมันก็จะมีกําลังมันก็จะมีกาลังแปลว่าเมื่อฝึกสติให้ต่อเนื่องกันเป็นสมาธิแน่นแฟ่นแน่นหนามั่นคงก็น้อมไปในการ วิปั ส, สนาวิปั ส, สนาเนี่เป็นการคิดการนึกการคิดการวิโตกวิจารณ่ะวิโตกวิจารณ์ด้วยความมีธรรมะคือสติสมาธิมันก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งได้ง่าย ที่สิ่งสําคัญคือปัญญาเนี่ปะปัญญาคือความรู้ความเข้าใจจนประชุมลงจนเกิดญาณทัศนะคือความเห็นเรียกว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงตามสภาวะของความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงทนอยู่ เป็นปกติไม่ได้และก็ไม่มีความเป็นตัวเป็นตนตามสมมติของใครไทยจะไปสมมุติว่าอ น, นั้นของเรานี่ของเราก็ไม่ได้เป็นเป็นก็เป็นเพียงสมมติของจิตใจดวงนั้นความรู้ว่นนั่นเท่านั้นแหละธรรมชาติ คำว่าอนัตตาที่นี่เมื่อสติสมาธิปัญญาประชุมรวมลงด้วยการวิตกวิจารณิสพิจารณาไข้ควรแยกแยะแปลว่าแยกกายแยกจิตแยกธาตุแยกขันธ์นี่แหละ ดินนากคือมันมีอยู่คำว่าธาตุมันก็มีอยู่ถึงแม้มันจะเป็นสมมุติก็กิงก็สมมุติกับสิ่งที่มันปรากฏอยู่ที่รู้อยู่ดินน้ำไฟลมในกายของเราเนี่ยอขอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำก็มาแยกแยะผมคนและฟันนั่งเนี่ยผมมันก็เป็นธรรมชาติที่เป็นเส้น แต่มันไม่มีชื่อว่าผมว่า้นอะไรแหละเราก็มาสมมุติเรียกเอาอยู่บนศรีรษะก็ว่าผมอยู่ตามตัวตามร่างกายก็วอกขนเนี่ยสิ่งที่เป็นกระดูกแข็งขึ้นมาหน่อยโผ อ, ออกมาไปเนิ้วมือนิ้วเท้าก็บ่าเล็บโผล่ อ, ออกไปในเหงือกในฟันที่แข็งก็บ่าฟัน นี่ก็สมมุติกันไปตามนั่นสมมุติกัสมมุติสมมุติดินนั่นแหละสิ่งเหล่านี้ก็เป็นดินทั้งหมดฟันกับเป็นดินผมก็เป็นดินคน้นก็เป็นดินเล็บกับเป็นดินนังก็เป็นดินดินนา้าซึมซาบอยู่ด้วยกันนั่นนั่นนี่มาฝึก คือปัญญานี่ต้องฝึกให้เกิดให้มีขึ้นถ้าจะให้เกิดเองเป็นเองโดยธรรมชาติมันก็มีแต่ว่ามันไม่มันไม่กล้ามันไม่เป็นปัญญาในองค์มรคมันไม่เป็นปัญญาที่จะทำลายความหลงไม่เป็นปัญญาที่จะเพฟาดฟันทำลายโมหะอวิชชาคือความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริง มันทำลายไม่ได้จะต้องสร้างปัญญาที่ประกอบด้วยพลังอันแหลมคมจนให้เป็นไฟแห่งปัญญาความเล่าร้อนของปัญญาจึงจะทำลายความมืดได้จึงจะสู้ความมืดได้เหมือนเราอยู่ในที่ มืดกว้างๆวนี่ถ้าจะเอาไฟเพียงแค่แสงหิงห้อยมันก็ไม่สว่างเต็มที่เพราะฉะนั้นมันอยู่ในที่มืดมากๆจึงต้องสร้างพลังแห่งแสงสว่างแห่งปัญญาให้มากๆนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น ปัญญาเนี่ยแหละเมื่อเกิดขึ้นเมขึ้นไม่มีใครละลยเป็นผู้ลูกเข้าใจเนี่ยแหละลูกว่ามีปัญญารู้ว่าสว่างทำลายความมืดความหลงที่เคยหลงมากี่วันกี่ปีกี่เดือนหลงมากี่นาทีชั่วโมงเนี่ย เนี่ยปัญญาวแวบขึ้นมาเท่านั้นแหละอาจจะหายสงสัยหมดสงสัยนี่ความหลงก่อหลงอยู่ชั่วง ข, ขณะนี่แหละอแต่มันอยู่นานก็เรียกว่าหลงหลายภพหลายชาติหลายปีหลายเดือน ม, นมีชาติหน้าชาติหลังแต่ความจริงมันก็อยู่นี่แหละช่วขณะกิตขณะกินี่ ช่วหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นชาติหนึ่งชาติหนึ่งนะภพหนึ่งภพหนึ่งชาติหนึ่งนี่คำว่าสมาธิธรรมปัญญาธรรมหรือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมหรือว่าศีลสมาธิปัญญามัน ถ้าโดยอาการมันก็ไม่ได้พวกก่วงขวางอะไรมันอยู่ชั่วขณะจิตขณะรู้นี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าให้มีความเพียรคำว่าให้มีความเพียรศรัทธาจะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ในการปฏิบัติธรรมศรัทธาก็ศรัทธาเชื่อมั่นในการปฏิบัติในการภาวนาวิริยะก็เพียรภาวนาสติก็ระลึกในการภาวนาให้เป็นปัจจุบันสมาธิก็ตั้งมั่นไว ในการภาวนานรรวมอยู่รวมอยู่ที่เดียวรวมอยู่ที่ใจปัญญาให้รอบรู้แจม่มแจ้งก็อยู่ในปัจจุบันนี่จึงว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมเครื่องนำไปสู่การ ทำลายความมืดการฆ่ากิเลสปา ป, ปามกิเลสคือความโรคโกรธหลงพูดรวมมาวันเดียวก็วเดีทำลายความหลงนี่แหละกิเลสคือความหลงถ้ามันรู้ตื่นเบิกบานหมดแล้วโกรธก็ไม่ต้องไปฆ่ามันโลกก็ไม่ต้องไปฆ่ามันจึงว่าฆ่าความหลงอันเดียวนี่แหละ หรือว่าข่าความมืดที่มันไม่สว่างไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงไม่เห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริงสร้างความรู้ความเห็นด้วยสติปัญญาเกิดขึ้นเท่านั้นแหละท่านท่านเรียกว่ารู้ทรรมเห็นธท ร, รคือรู้ความเป็นจริงกับสภาวะที่เรา อาศัยอยู่นี่ที่ท่านเรียกว่ารูปนามกายใจหรือธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหกนี่รวมกันอยู่เป็นมหาเหตุที่เราจะต้องมาทำการทำงานอันนั้นอันนี้ประกอบสมาสีวะประกอบสมมาชีพคือการสแสวงหาเรื่องชีพท่านจึงว่าให้ สแสวงหาด้วยความสุจริตพรามไม่มีโทษนี่จึงเป็นองค์มรรคข้อที่หนึ่งบสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบต้องมาฝึกหัดปฏิบัติให้ให้มีปัญญาให้เกิดปัญญา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาสีวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ตามชื่อที่เป็นปริยัติที่ใช่บอกใช่พูดเพื่อให้ผู้ที่มีหูมีใจมีการรับรู้เข้าใจนี่มันถึงแยกออกอาการออกมาอย่างนี้ ปัญญาเห็นชอบธรรมทิฏฐิธรรมสังกโปโความดำริดำริให้มันในการกระทำที่ถูกต้องดำริที่จะปลูกศรัทธาคือความเชื่อของตนเองนี่ให้เชื่อตามเหตุผล ตามความเป็นจริงเนี่ยมันเริ่มไปตั้งแต่ศรัทธาถ้ามันเชื่อผิดมันก็ไปผิดอีกเลยศรัทธาเมื่อมีศรัทธาเชื่อถูกต้องก็เพียรมันก็มีความเพียรต่อเนื่องนรวิรญาส ต, ติลึกร ในการกระทานั้ น, น, นในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดที่ถูกต้องที่เป็นธรรมนี่มันก็รวมครอบไปหมดจากใจอันเดียวคร อ, อ, อ, อบออกไปถึงกายถึงวาจาครอบออกไปถึงธาตนะุสี่ขันธ์ห้าอาณจั นี่สมาธิฏฐิสัมมาสังก ป, ปรสัมมาวาจาสัมมากรรมโตอาสิโวก็ไปตามนี่แหละร ว, วมเข้ามาแล้วเรียกว่ามหาปฏิบัติธรรมจเจริญศียให้ยิง่งสติ ให้ต่อเนื่องมั่นคงสมาธิไม่ต้องทำเป็นเองมันเป็นผลเป็นปฏิเวทของสติของศีลเมื่อมีศีลสมบูรณ์สมาธิก็แน่วแน่มั่นคงปัญญาต้องสร้างต้องฝึกฝึกค้นคิด พินิษ์พิจารณาให้รูปเข้ามาในรูปนามกายใจซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างอื่นอาศัยรูปนามกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาศัยขันห้านี่แหละ ออกมาเป็นของหยาบๆยาบแล้วมันค่อยรวมเข้าไปสู่มหาเหตุมหาเหตุคือใจใจไม่มีปัญญารู้เห็นสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงก็เป็นเหตุให้ทุกข์คือมืดจนนั่นแหละมืดแล้วก็ผิดเช่นอย่างคนตาบอดจากสูบบอดอย่าง จะเดินไปเดินมาก็ไม่คล่องแคล่วงง ม, งม ค, ำคำไปนั่นแหละความมืดของใจที่ไม่มีปัญญาแจม่มแจ้งก็เหมือนกันจะไปรู้อะไรจะไปเห็นอะไรตามเป็นจริงก็ไม่เห็นไม่รู้เห็นก็เห็นผิดไปรู้ผิดไปจึงไม่ก้าวข้ามพน้นอวิชชาโมหะ ไม่ก้าวข้ามพ้นวัตตะแห่งความมืดนี้ไปได้สุดท้ายเขามาหลงรักหลงชอบหลงรักพอใจยินดีพอใจว่าสิ่งที่มันมีความสุขมีความสุขอยู่เพราะความหลงนี่แหละหลงว่าเอาสุขเพราะยืนยืนมีความสุข สบายนอนมีความสุขสบายบริโภค ก, กินดื่มมีความสุขสบายก็ไปหลงสแสวงหาอยู่สแสวงหาสมบัติสมมุติปัจจัยสี่ได้มามากม า, กายกายกองมีความสุข สุดท้ายมันก็ไม่มีมไม่มีความสุขได้มาแล้วเอามีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมันก็ไม่มีความสุขก็คิดไปเองต้องไปซื้อไปหาไปจ้างไปวานทำอย่างนั่นทำอย่างนี้ไปเห็นของสวยงามชอบใจ ไปดมกินลิมรสห้ถูกต้องสัมผัสกับสิ่งที่ยินดีพอใจสุดท้ายก็ไม่มีความสุขอีกล่ะยิ่งไปกินเท่าไรสิ่งที่ว่ามันจะให้ความสุขกินมากๆก็ทุกดูมากมากก็ทุกไปอกีกสูตรกินมากมากก็ทุกอกีก ถูกต้องสัมผัสมากๆาทุกอีกสุดท้ายก็เลยวนเวียนอยู่ในวัฏฏะแห่งความทุกข์คือความหลงออกจากวนเวียนออกจากกงแห่งความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้เพราะตาแตกเพราะจักสูบอดจะออกได้ ต้องมีความสว่างตาสว่างคือตาธรรมะคือจเจริญสติสมาธิปัญญาเนี่ยเหมือนอย่างเราบวชพิปฏิบัติกันอย่างนี้แหละให้ยินดีให้น้อมมาในการจเจริญสติสมาธิปัญญาปฏิบัติธรรม มาฟังแล้วก็ทำฟังแล้วก็ลงมือทำสมาทานแล้วก็ลงมือทำเส่นสมาทานศีลอย่างนี้สมาทานแล้วก็ลงมือปฏิบัติไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษนี่เราควบคุมกายวาจาน มันง่ายแต่ที่มหาเหตุมันจริงๆคือใจเพราะฉะนั้นจึงต้องมาฝึกภาวนาจเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาเพื่อทำลายความหลงความหลงความเห็นที่มันเห็นผิดหลงผิดเห็นว่าต้องเป็นอย่างงั่นอย่างนี้ให้มันเป็นความจริงภายในจิตใจที่ ก็กอบด้วยสติปัญญาที่เป็นธรรมนั่นลหละพระธรรมจะได้รักษาในพาสิทธิยกขึ้นว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริง ร, รมย่อมรักษาผู้ปกติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมมาให้ตกไปในที่ทุกข์ที่ยากลำบากใจนีจะเลี้ยแต่ ความทรงคุณค่าที่ไม่กระทบกระเทือนกับสิ่งที่เป็นเหตุให้เป็นทุกข์เข้ามาจะเหลือความเป็นตัวของตัวเองด้วยความร่วนบริสุทธิ์รู้ละรู้วางนี่มันต้อง ภาวนาเท่านั้นแหละจะแก้ได้ภาวนาจเจริญสตินั่นแหละทางสติกำหนดเข้าไปสติขับใจให้กลมเกลืนกันมากมากแล้วก็พินิษฐพิจนาคให้ควรแยกสิ่งที่มันไปหลงยึดหลงติดนั่นแหละกำหนดแยกสิ่งมันติดสิ่งไหนมันชอบใจใน ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็แยกกำหนดแยกออกไปสิ่งที่มันชอบมันเนี่ยมันเป็นยังไงมันติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในความถูกต้องสัมผัสในความมีนั่นมีนี่ภาวนารวมสติปัญญาไปแยกไปแยะไป นิทพิจารณาท่านเรียกว่าวิปัสนานลูกมันเห็นเข้าใจเหตุที่แท้จริงเหตุที่มันยึดมันติดที่มันหลงมันลุ่มัมนล่อนก็เพราะความหลงนั่นแหละคือความไม่รู้ความจริงนั่นนี่จึงทําให้รู้ความจริงด้วยการภาวนาภาวนาเมญปัญญา ปัญญาจากการภาวนาเป็นปัญญาทำลายความมืดความหลงทั้งหมดคือพิจารณาไปเรื่อยๆไขควนไปเรื่อยๆกำหนดสร้างสติให้แน่นหนามั่นคงขึ้นน้อมพิจารณาสิ่งใดที่มันยังมีความอยากเป็นเบื้องหน้ามีวิตกมีอุปท า, าน อยากแล้วก็ยึดนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นเหตุให้มืดเพราะฉะนั้นมันเกาะสิ่งไหนมันชอบใจอยู่ในอะไรหรือว่าที่ว่ามันยึดมันถืออยู่ในเรื่องอะไรอารมณ์อันใดวัตถุอันใด ที่เป็นภายนอกก็ตามถ้าเข้ามาภายในร่างกายของเราจุดไหนที่มันหลงมันยึดมันงัวมันเมารวมสติปัญญาเข้าไปจอ่อไปแยกไปแยะไปฟักไปฟันไปทุบไปตีมันอยู่ในจุดนั้นมันก็จะเกิด ความรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาตามเป็นจริงได้นั่นมันมันจึงจะจบกันควาว่ากรรมกรรมคือการกระทำนี่แหละมันเป็นเหตุให้ผัวพัน์อยู่กับความทุกข์ที่เป็นผลความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นเหตุ พอมันไม่รู้ตามเป็นจริงเมื่อมันรู้ตามเป็นจริงก็เรียกว่าละเหตุหรือทาลายเหตุทาลายเหตุอย่างเดียวผลมันก็ไม่มีเหมือนกันกับต้นไม้ขุดลากขุดโคลนมันออกจากดินซะดอกผลอะไรเปรียกใบอะไรมันไม่ต้องไปฆ่าไปตามฆ่าตามทาลายมันมันจบกันลงหมด นี่กิเลสอาสวะความโลภโกรธหลงความหุ่นวายเดือดร้อนที่เกิดขึ้นให้รับรู้สัมผัสว่าเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่กับอะไรอะไรก็ตามรวมเอาว่าลักษณะที่ให้เราเป็นทุกข์ทางกายทางใจเป็นสุขทางกายทางใจสองอย่างเนี่ยสุขกับทุกข์มันมีเหตุทั้งนั้นมาภาวนา จเจริญภาวนามยปัญญาให้เป็นไฟเป็นแสงสว่างสองทำลายความมืดเหล่านี้ไล่ความมืดเหล่านี้ไม่ให้มีในใจให้เป็นใจสว่างกระจ่างแก้งด้วยความรู้ความเห็นตามเป็นจริงมันจึงจะจบกัน ในการประพฤติธธ ร, รมปฏิบัติธรรมเพื่อชะล้างความมืดความไม่รู้จึงว่าให้ตั้งสติสติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบมันจะทำลายความมืดถ้ามันไม่ชอบทำลายความมืดไม่ได้เคยหลงมาแล้วก็ยิ่งแต่จะมีความหลงไปเคยยึด มั่นถือมั่นยิ่งจะมีแต่ยึดแน่นหนามั่นคลงไปเรื่อยๆอันนั้นไม่ถูกปัญญานนั้นไม่ถูกสติอันนั้นไม่ถูกศีลอันนั้นไม่ถูกศีล ส, สังวรไม่ทาตามความหลงสมาธิตั้งใจมั่นในการที่จะ แยกแยะชนิดพิจารณานี่จึงเป็นความชอบเมื่อมันชอบชอบสติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบประสมรวมลงสเพธรมานัตตาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาชั่วลัดข้อมือเดียวหรือชั่วขณะ อึดใจเดียวขณะจิตเดียวนั่นท่านจึงว่าวินาทีแห่งการรู้ความจริงมันไม่มากแต่การสร้างเหตุเนี่ยมันมากการสร้างเหตุหรือว่าการดำเนินมรรคมันมากมันยืดยาวข้าวไกลมาพอแรงแล้วเกิดตายเกิดตายกันมาเนี่ย ใจดวงนี้แหละไปเกิดที่ไหนเป็นอะไรก็ใจอันเก่าของใครของเราที่มีอยู่นี่แหละไปไม่ได้ไปเอาอะไรที่ไหนมาสับเปลี่ยนกันดอกของใครของเราธรร ม, มทิฏฐิหรือว่าทิฏฐิธรรมธรรมที่เป็นประธานใจที่เป็นประธานอันเดียวนี่แหละออกจาก อารมณ์อันนี้เข้าสู่อารมณ์อันนั่นจากอารมณ์อันนั่นเข้าสู่อารมณ์อันนั่นวนเวียนกันอยู่อารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โลภอารมณ์โกรธเกลียดอะไรเนี่ยอันเดียวนี่แหละไม่ได้เกิดจากที่อื่นเกิดจากใจดวงเดียวนี่แหละแล้วก็เมื่อหมุนไปสู่พบสู่กำเนิดน้อยใหญ่ต่างๆ สังสารันตาพระวาพระโวท่องเที่ยวในพบน้อยและพพใหญ่ก็ใจอันเดียวนี่แหละนี่เมื่อมาอบรมมบ่มมาปฏิบัติให้เป็นธรรมแล้วก็บริสุทธิ์หมดจดจากความรุ่มหลงก็บใจอันเดียวนี่ีว่า ชั่วรัดมือเดียวคณะจิตเดียวรู้คณะจิตเดียวแต่รู้แจ้งรู้แจ้งรูล้ละรู้วางแต่ยังรู้หลงอยู่รู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงจึงว่าหลง นี่พระพุทธธรรมปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธธรรมสงฆ์เป็นชื่อเป็นชื่อเป็นสมมตุติพุทธพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน น, นีเป็นชื่อเป็นสมมตุติพุทธแท้ก็คือใจ ใจของพระ อ, องค์รู้ตื่นเบิกบานเข้ามาเป็นพุทธของเราใจของเรารู้ตือรู้ตื่นเบิกบานรู้ความเป็นจริงอ น, นิจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแหน่ก็เป็นพุทธที่ใจของใครของเราเพราะฉะนั้นว่าธรรมชาติใจนี่เป็นธรรมชาติแห่งพุทธโธคือเป็นธรรมชาติแห่ง ความรู้เป็นธรรมแห่งความรู้จะเป็นผู้เป็นคนเป็นเชื้อชาติไหนภาษาไหนก็เป็นธรรมชาติรู้เหมือนกันแม่จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะประเภทไหนสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์สี่เท้าสองเท้าสัตว์มีปีกไม่มีปีกก็มีธรรมชาติรู้อยู่ในนั้นเหมือนกันมีธรรมชาติพุทธ ทออยู่ในนั่นเหมือนกันเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรมยมยักษ์บ อ, อเกิดในภูมิสามกาเนิดสี่มีขันห้าและขันสี่และขันหนึ่งมีธรรมชาติรู้พุท ธ, ธะอยู่ในนั่นหมดถ้าไม่มี พุทธะไม่มีใจแล้วก็ไม่มีอะไรหละจะไปสู่ภูมินั่นภูมินี่เพราะคำว่าภูมินั่นภูมินี่ก็เป็นสมมุติหรือว่าตาสงสารเป็นสมมุติแห่งการวนเวียนของใจอันนี้แหละเพรา ะ, ะนั้นเมื่อยุติก็ยุติที่ใจด้วยสติปัญญา ญาณทัศนะดูเห็นตามเป็นจริงจึงจะจบกันสรุปความในเรื่องการประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติตามศาสนาพุทธก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าศาสนาพุทธ คำสอนของผู้อื่นเขาก็เลือกศาสนาอื่นไปศาสนาผีก็มีเพราะไปตามไปถือตามลทัทธิผีความเชื่อความนับถือเรื่องของผีเขาก็เรียกว่าศาสนาผีศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้แจ้งเห็นจริงอ ในสภาวะแห่งความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาแล้วมาสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของผู้เเจ้าเรื่องาศาสนาพุทธจะให้เข้าถึงพุทธธรรมสอ์อันแท้จริงก็ด้วยการปฏิบัติ ปฏิบัติก็คือเอากายเอาใจนี่แหละปฏิบัติวาจานี่แหละปฏิบัติไม่ได้เอาที่อื่นอย่างอื่นเพราะะนั้นให้ขอดธรรมะที่แท้จริงเลยวะอันนี้จังทุกครังนัตตามีอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจหลงอยู่ที่ใจหรือพุทธะ แท้พุทธพุทโธก็คือใจเพราะฉะนั้นให้รวมเอายอดคือพุทโธพุทโธพุทโธเป็นเครื่องลูกของใจเครื่องระลึกของสติให้มากๆนี่เรียกว่าภาวนาพุทโธพุทโธสติเป็นกำลังสมาธิเป็นกำลังพุทโธเป็นกำลังแล้วก็จะลู้ตื่นเบิกบานนี่เรียกว่าสัมผัส กับธรรมะคือใจแท้นี่ให้คอดเราลงมาที่นี่สติเป็นคู่ของใจอย่าให้พังให้เผลอ้ลสติระลึกลู่เป็นสายโซ่เป็นเชือกเส้นยาวสมาธิมีความลู้ความระลึกลู้มั่นคง ดูกับความรู้ของตนเองปัญญาแยกแยะเว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมเครื่องรักษาหรือเป็นธรรมเครื่องนำให้เกิดแสงสว่างแห่งใจ คือทาตุรูนี่ให้รูตามความเป็นจริงต่อไปกำหนดรูทำความสงบ <c oughs> <c oughs> หน่วยบุญบารมีทานบารมีศีระบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีที่ได้กระทาบำเพ็ญมาขอจงรวมเป็นพระกำลังแห่งบุญกุศลกำลังแห่งธรรมะในนุนนำ ดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้กระทาบำเพ็ญมาในอดีตก็ดีจนถึงปัจจุบันก็จงรวมเป็นกำลังนุนนำให้มีความรู้ดีความคิดดีความเห็นดีแล้วการกระทาดีได้คอยมีความ สุกกายสบายใจปรัถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมเพราะสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานใดการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอ